ก็กราบบูชาพระรัตนตรัยกราบบูชาครูบาอาจารย์ตั้งแต่หลวงพ่อที่หลวงพ่อคำเขียนถาวายความกรบมายังพระอาจารย์วัฒนชัยพระอาจารย์สุรินพันเตะเขาอากาศเพื่อนสาธมิกเจริญพรมายังแม่ชีแล้วก็นักปฏิบัติธรรมทุกท่านก็นั่งกันตามปกตินะ <c oughs> วันนี้ก็เป็นเช้าวันเพื่อสบดีที่25กุมภาพันธ์พุทธศกราช2559นะก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เราได้มาร่วมกันทำวัดสดมนนะแล้วก็เท่าที่ทราบก็มีกลุ่มของชาวจีนนะที่มาปฏิบัตินะก็รมาร่วมกันใช้ชีวิตนะเป็นนักบวชบ้างเป็น นักปฏิบัติทมบ้างที่วัดป่าสุกโตแห่งนีนะ้ก็เป็นเรื่องที่น่าอนุโมทนานะกับทุกท่านนะที่มาใช้วัดป่าสุกโตนะเพื่อการที่จะฝึกฝนนะอบรมนะตัวเราทุกคนนะเมื่ออธิตย์กนะ่อนอาตมาก็ได้มีโอกาสไปจาริกนะที่ประเทศอินเดียนะก็ได้ไป ที่ประสูตรตรัสรูนะ้แสดงปฐมเทศนาแล้วก็ปรินิพานะก็ได้ <c oughs> ไปร่วมกันกันกบกลุ่มคณะญาติธรรมนะประมาณสักสิบก้าท่านนะก็ได้ไปเห็นสถานที่ที่พระเจ้าได้ประสูตรตรัสรูนะ้แล้วก็แสดงธรรมปรินิพานะก็มีแต่ซากบรากบักพังที่ยังคงเหลืออยู่ นะตรงนี้นะโดยเฉพาะไปที่หมหาวิทยาลัยนาลันทานะซึ่งเป็นหมหาวิทยาลัยที่ใหญนะ่แล้วก็ได้ทราบถึงความเป็นไปนะของอชีวิตของพระพุทธองคนะ์ก็ทำให้เรามีความเชื่อมั่นศรัทธานะว่าพระุทธองค์นั้นนะมีชีวิตอยู่จริงๆนะเมื่อประมาณ 2,000 กว่า ป, ปีที่แล้ว นะแล้วก็ได้สืบทอดมาจนถึงปัจจุบันนะก็ได้เห็นความเจริญความเสื่อมนะของพระพุทธศาสนานะซึ่งตัวองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ไม่ได้อยู่แล้วนะสิ่งที่ยังคงอยู่ก็มีธรรมะและวินัยนะแล้วก็แนวในการประพฤติปฏิบัตนะิโดยผ่านมาทางครูบาอาจารย์ต่างๆสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน นะซึ่งตรงนี้เนี่ยนะก็เป็นสิ่งที่ทำให้เราได้มาน้อมระลึกนึกถึงนะว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมีความเปลี่ยนแปลงมันไม่มันคงยั่งยืนนะเดี๋ยวมีเกิดเดี๋ยวมีแก่เดี๋ยวมีเจ็บเดี๋ยวมีตายมีความเจริญมีความเสื่อมนะเดี๋ยวเฉพาะยังยิ่งในสถานการณ์ของประเทศไทยในปัจจุบันนะเราก็เห็นว่ามี ทั้งส่วนที่เป็นความเจริญก็มีนะความเสื่อมก็มนะีทั้งในส่วนของสถาบันนักบวชนะซึ่งตรงนี้บางคนถ้าจิตใจไม่มั่นคงนะไม่หนักแน่นนะในธรรมะวินยัยนะหรือในธรรมะจริงๆก็อาจจะโอนเอน็งนะทำให้เกิดความเสื่อมศรัทธาได้แต่ผู้ที่มีความมั่นคง นะมีการประพฤติปฏิบัตนะิแล้วก็เข้าใจนะในหลักธรรมที่แท้จริงนะก็จะได้เห็นนะถึงความเจริญความเสื่อมการประพฤติที่เหมาะสมนะไม่เหมาะสมนะกับบุคคลก็ตามนะสิ่งต่างๆก็ตามเป็นปรากฏการณ์ที่แสดงให้เห็นนะว่าสิ่งเหล่านีเนนะ้เราสามารถที่จะแยกแยะไดนะ้ว่าอะไรดี อะไรไม่ดีอะไรจริงอะไรไม่จริงอะไรเป็นไปตามธรรมวินัยอะไรที่ไม่เป็นไปตามธรรมวินัยนะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เกิดผลนะจากการที่เราได้ประพฤติปฏิบัตินะการที่ปฏิบัติตามหลักธรรมนะแล้วก็ตรวจสอบตัวเราเองอยู่เสมอโดยเฉพาะยิ่งการที่เรามาอยู่วัดป่าสุกโตนะก็มี แนวการประพฤติปฏิบัตนะิเรามีกิจวัตรประจําวันทำวัดสดมนต์ตอนเช้าตอนเย็นนะเราก็มาร่วมกันนะแล้วก็ประพฤติปฏิบัติด้วยการเจริญสตินะซึ่งตรงนี้ก็เป็นวิธีการหนึ่งนะการเจริญสติด้วยแนวเคลื่อนไหวนะซึ่งหลวงพ่อเทียนก็ได้นําเสนอไว้นะตั้งแต่ปี2อ0 0นะซึ่งก็ไปตรงกับหลักมาสิติปทานนะสูตร นะที่มีในพรนะไตรปิฎกซึ่งมีการบันทึกเอาไวนะ้แล้วก็มีการถ่ายทอดมาจนถึงปัจจุบันเพราะฉะนั้นการที่พวกเราได้มาร่วมกันนะมาประพฤติปฏิบัตนะิด้วยการปฏิบัติลงไปนะไม่ใช่เพียงแค่ได้ยินได้ฟังหรือมีความศรัทธานะแล้วก็ <c oughs> ได้ทำลงไปเนะี่ยมันก็ได้เป็นการพิสูจน์ด้วยตัวเราเอง เมื่อพิสูจน์ลงไปกระทําลงไปเกิดผลเนี่ยน้ำก็จะทําให้เรามีความมั่น อ, อกมั่นใจนว่าพุทธองค์นั้นยังไม่ได้สูญสิ้นไปพุทธศาสนายังไม่สูญสิ้นไปจากแผ่นดินประเทศไทยจากจิตใจของเราแม้ว่าสภาพแวดล้อมมันจะชวนให้เราทําให้เรารู้สึกไม่สบายใจนักนกับการประพฤติปฏิบัติของ พระก็ดีของญาติโยมก็ดีนะที่ยังเชื่ อ, อยังงมงายนะยังไปให้ความสำคัญกับเรื่องของยศถาบรรดาศักดิ์นะหรือว่า <c oughs> สิ่งต่างๆนะที่ทำให้เราหลงไหลไปนะทำให้เราเพลิดเพลินไปโดยพอยิ่งในปัจจุบันนี้นะเรื่องวัตถุนิยมเรื่องบริโภคนิยม นะเป็นสิ่งที่ชวนให้เราเนี่ยหลงไหลนะไม่ได้กลับมารู้เนื้อรู้ตัวนะทำให้เราเพลิดเพลินไปนะทำให้หลงลืมไปพุทธศาสนาเนี่ยจะเสื่อมไปหรือจะสูญไปนะก็เพราะว่าไม่มีการประพฤติปฏิบัตินะไม่มีการปฏิบัตินะพิธีรีตองก็ดอีอ่สิ่งก่อสร้างต่างๆก็ดีนะอันนี้เป็นส่วนเปลือกซึ่งก็เป็นส่วนสำคัญนะไม่ใช่ไม่สำคัญ แต่ว่าถ้าเรายัง เ, เพียงแค่พิริติรีตองนะหรือว่าไปบูชานะวัตถุนะสิ่งของต่างๆการไปประเทศอินเดียครั้งนี้ก็ได้เห็นนะคนไทยหลายคนนะก็ไปเพื่อที่จะไปบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิต่างๆนะซึ่งตรงนี้นก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะเราไม่ได้ไปเพื่อที่จะไป น้อมระลึกนึกถึงน ะ, ะหลักธรรมหรือว่าสิ่งที่พระองค์ได้สั่งสอนจริงๆแล้วก็นน้อมนำเอามาประพิธปฏิบัติให้เกิดขึ้นกับตัวเราเองนะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่น่าเห็นใจเหมือนกันนะเพราะว่า <c oughs> การกระทำอะไรนะด้วยตัวเราเองตามหลักธรรมคำสอนบางทีมันก็ลำบากยากเย็นนะไม่เหมือนกับการอ้อนวอน การขอการบนบาลสารกล่าวอันนั้นมันง่ายนะแต่มันง่ายแต่มันก็ได้ผลแค่นิดหน่อยนะทำให้เราชื่น อ, อกชื่นใจทําให้เราสบายใจได้ไปไหวในที่ที่พุทธองค์ได้ตรัสรู้นะได้ประสูดนะได้ปรินิพานก็รู้สึกชื่น อ, อกชื่นใจแต่หลายคนนะก็ได้แรงบนนันดาลใจนะในการที่จะกลับมาประพฤติปฏิบัตนะิเป็นกําลังใจ ในะในการที่เราจะบากบัน่นะที่จะทำความเข้าใจที่จะประพฤติปฏิบัติด้วยตัวเราเองการประพฤติปฏิบัติการเจริญสติการปฏิบัติธรรมนั้นนะมันไม่ใช่เรื่องที่จะง่ายเสียทีเดียวนะบางทีมันก็ยุ่ ง, ย, งยากๆพอสมควรนะอย่างการที่เรามาเจริญสติเนี่ย <c oughs> โดยเฉพาะคนที่เริ่มต้นใหม่เนี่ยนะมันจะเจอกับ สิ่งที่จะมาขวางกั้นเรานะเช่นความง่วงความเบือ่อนะความฟุ้งซ่านนะอันนี้เป็นสิ่งที่หนึ่งที่เราจะต้องได้มีโอกาสสัมผัสนะเรียนรู้นะแล้วก็เผชิญหน้ากับมันการปฏิบัติธรรมนั้นนะโดยเฉพาะการเจริญสติไม่ว่าจะเป็นวิธีใดก็ตามนะมันจะมีอุปสรรคมาขวางกัน้นะที่จะทำให้เราไม่สามารถที่จะผ่านมันไปได้ นะถ้าใจิตใจเราไม่เข้มแข็งพอความอดทนของเราไม่เพียงพอนะได้ไปเห็นในสถานที่ต่างๆที่พุทธองค์ได้ออผ่านไปเนี่ยโอ้มันเป็นสถานที่ที่ไม่ไม่สะดวสบายนักนะการเดินทางไปแต่ละที่เนี่ยนะลำบากมากนะต้องอาศัยความอดทนแล้วการไปใช้ชีวิตนะในครั้งพุทธกาลเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ลําบากมากพวกเราสมัยนี้ยังสบายเนาะ สมัยก่อนเป็นป่าเป็นเขานะการกินการอยู่ก็ไม่ได้สะดวกสบายนะักนะคนยากคนจนก็เยอะแยะแมนะ้แต่ปัจจุบันในประเทศอินเดียก็ยังมีอยู่อย่างพวกเรามาอยู่ที่นี่นะก็มีความสะดวกสบายนะเรื่องที่อยู่ที่กินเพนะราะนั้นตรงนี้เนีย่ยเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เราควรจะใช้เวลาเนี่ยนะเพื่อการประพฤติปฏิบัติจริงๆนะอย่าไปเห็นแก่การสะดวกสบาย นะการกินการนอนนะทําอะไรตามใจตัวเองนะหรือจริงๆก็คือตามใจกิเลสนั่นแหละนะง่วงก็นอนนะเวลาปฏิบัติไปง่วงก็ไม่เอาละขอไปนอนสักงีบหนึง่งนะเดี๋ยวอยตื่นมาทําใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะหรือว่าไม่ไหวละอากาศมันหนาวนะเราขอนอนก่อนเดี๋ยวค่อยลุกมาทำก็แล้วกันนะตรงนี้มันจะทําให้เราเนิ่นช้านะการปฏิบัติเนี่ย ต้องอาศัยความอดทนนะต้องอาศัยความเพียรความพยายามอย่างที่เราได้สาธยายมุนไปเมื่อสักครู่เนี้ยคนที่จะ <c oughs> ได้สัมผัสความจริงเนี้ยต้องเป็นคนจริงนะหลวงพ่อเทียนเคยพูดว่าคนจริงจะรู้ของจริงแต่คนที่ไม่จริงก็จะรู้ของไม่จริงอนะ่อันนี้เป็นสิ่งหนึ่งเพราะนั้นคนที่จะเข้าใจธรรมะได้นี่ต้องอาศัยเป็นคนจริงนะอย่างคนเมือง คนชาวจีนเนี่ยโอตั้งใจมาเนี่ยโอเดินทางข้ามน้ําข้ามทะเลมาเ น, เนี่ยก็ถือว่ามีความตั้งใจแล้วเนาะทีนี้ความตั้งใจเนี่ยนะก็เพียงแต่ว่าเรามีความเพียรความยามที่ทําให้ต่อเนื่องโดยเฉพาะการทําในรูปแบบเดินจงกรมสร้างจังหวะนะตรงนี้พยายามทําให้ต่อเนื่องทั้งวันอาจจะเป็นไปได้นะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่า เราจะไม่ทําอะไรเลยนะมีงานส่วนรวมเราก็คงจะต้องช่วยเหลือกันมีกิจอะไรที่เราจะต้องช่วยก็ช่วยกันไปแต่เราก็ทําด้วยความรู้สึกตัวทําอะไรต่างๆให้มีความรู้สึกตัวใส่ความรู้สึกตัวเข้าไปจะกินจะดื่มจะเคี้ยวนะจะทํากิจวัตรอะไรต่างๆก็ให้มีความรู้สึกตัวนะความรู้สึกตัวนี่แหละนะเป็นเครื่องมือสําคัญนะที่จะทําให้เรานั้น นะสามารถเดินตามรอยพุทธองค์ได้อย่างแท้จริงนะเป็นเครื่องมือสำคัญการไปประเทศอินเดียนั้นก็ไปได้เพียงแต่ในทางร่างกายนะแต่ในทางจิตใจนั้นเราต้องอาศัยนะสติปัญญาเนี่ยเดินตามตามรอยพุทธองค์นั้นนะแม้ว่าจะไปอินเดียไปที่ที่ประสูตตรัสรู้ปณิธานแต่บางทีก็ไม่ถึง อินเดียจริงๆไม่ถึงที่ที่พระเถรองค์จริงๆนะแต่ถ้าเราไปด้วยจิตด้วยใจนะแม้ว่าเราอยู่วัดป่าสุกโตนะเราก็สามารถที่จะถึงนะซึ่งพระพุทธธรรมพระสงฆ์ได้นะแม้ว่าไม่จําเป็นจะต้องไปถึงอินเดียเราอยู่ที่นี่นะเราก็สามารถที่จะตามรอยนะของพระเถรองค์ได้นะโดยเฉพาะการที่เรามาประพฤติปฏิบัตินะอยู่ที่นี่ เพราะฉะนั้นการตามรอยพุทธองค์นั้น น, น, นาเราสามารถที่จะทําได้ในทางจิตทางใจนะก็คือการที่เราเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะจิตที่ตื่นรู้เบิกบานเนี่ยเป็นธรรมชาติดั้งเดิมนะที่มันมีอยู่แต่เราไม่ก็ได้เห็นมันเพราะว่าเราเลืมนื้อลื ม, ลมตัวนะเราหลงไปในความคิดปรุงแต่งต่างๆนะซึ่งตรงนี้เนี่ย ถ้าไม่เราพลาดโอกาสไปพลาดโอกาสที่จะได้เรียนรูนะ้ความจริงที่เกิดขึ้นภายในจิตในใจของเรานะจะเป็นอารมณ์ก็ดีความคิดปรุงแต่งต่างๆก็ดีที่แสดงออกมาทั้งที่เป็นที่พอใจหรือไม่พอใจก็ตามเพระาะฉะนั้นการประพฤติปฏิบัตนะิการเจริญสตนะิก็เพื่อที่เราเข้าไปล่วงรู้ความจริงที่แสดงนะที่ปรากฏออกมานะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะในส่วนของกายส่วนของใจนะใจหรือจิตเนี่ยบางทีมันก็เป็นสิ่งที่มองไม่ค่อยเห็นนะเป็นสิ่งที่เข้าใจได้ยากนะเพราะฉะนั้นเราเริ่มต้นที่กายก่อนนะรู้กายเคลื่อนไหวนะเมื่อพลิกมือก็รู้ยกมือก็รู้นะเดินจงกรมก้าวเท้าก็รู้รู้อะไรรู้สึกตัว รู้การเคลื่อนการไหวของกายก่อนอย่ารู้อะไรมากกว่า น, นั้นความรู้ที่เคยอ่านมาเคยได้ยินได้ฟังมาวางไว้ก่อนเอารู้เฉพาะหน้าเนี่ยสิ่งที่เราทำอยู่เฉพาะหน้าการกินการเคี้ยวก็ให้รู้รู้การปากมันขยับรสชาติที่เราสัมผัสให้รู้รู้แล้วก็วางใจกลางๆธรรมดาธรรมดา นะสังเกตนะมันจะมีความพอใจไม่พอใจให้ดูให้รู้ให้เห็นมันแตนะ่แล้วเราจะเห็นความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงมันนะที่เรียกว่านิจจังทุกขังอนัตตานะเราบังคับบัญชาไม่ได้เนี่ยเป็นความจริงที่แสดงปรากฏเป็นธรรมะที่ปรากฏขึ้นมาพระพุทธก็คือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานพระธรรมคือสัจธรรมความจริงที่แสดงปรากฏออกมานะในกายในใจของเรานะตรงเนี้ย เป็นส่วนที่เราจะเห็นได้นะด้วยความรู้สึกตัวด้วยสติด้วยปัญญานะที่เกิดจากการฝึกฝนสติในที่นี้คือความรู้สึกตัวที่ชับไวนะไม่ใช่สติสามัญธรรมดาที่มีอยู่แต่ตรงนั้นนะนะเราพัฒนามาจากสติสามัญ น, นั่นเองแตนะ่ก็เรียกว่าสติปฐานสติปฐานเป็นสติที่รู้เท่าทันกายที่เคลื่อนไหวใจที่นึกคิด นะเพียงแค่รู้เห็นนะไม่เข้าไปยุ่งกับมันนะจะพอใจไม่พอใจก็ให้รู้เท่ารู้ทันไม่ไม่มันไม่ทันหรอกนะมันเผลอไปบ้างไม่เป็นไรเผลอไปแล้วแล้วไปนะมาเริ่มรู้สึกตัวใหม่นะเห็นแล้วเห็นอีกทันแล้วทันอีกดูมันเรื่อยไปนะปัญญามันจะเกิดตรงเนี้ปัญญามันจะเกิดจากการที่รู้เห็นตามความเป็นจริงไม่ใช่ปัญญาที่นึกคิดจดจํา นะหรือว่าสร้างทฤษฎีอะไรต่างๆขึ้นมาอันนั้นเป็นความคิดปรุงแต่งนะซึ่งจะหลอกให้เราหลงได้ง่ายเพราะนั้นเพียงแค่รู้ซื่อๆรู้สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนะแค่นี้เท่านั้นเองรู้บ่อยๆสัมผัส บ, บ่อยๆปัญญามันจะเกิดเพราะฉะนั้นปัญญาจึงบอกว่ารอบรู้กองสังขารนะอย่างเขาบอกไว้ว่าปัญญานี่คือก้อนรอบรู้กองสังขาร กองสังการคือความคิดปรุงแต่งนั่นเองนาะหรือสิ่งต่างๆที่ปรุงแต่งขึ้นมานาะไม่ให้มันหลอกเราได้ง่ายๆเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี <c> ่ย <oughs> การเจริญสติเนะี่ยนาถ้าสติเราตื่นขึ้นมาแล้วเนี่ยโอ้โหมันจะสนุกมากเลยนะมันจะได้เห็นอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นภายในกายภายในใจของเรานาะแล้วเราเห็นเลยนิสัยของเราเนี่ยติดอะไรชอบอะไรไม่ชอบอะไร นะติดอะไรแล้วยังหลุดไม่ได้นะบางอย่างเราหลุดได้บางอย่างเรายังไม่หลุดนะตรงเนี้ยมันจะทําให้เกิดการหลุดการพ้นนะหลุดพ้นง่ายๆจากความง่วงก็ได้นะจากเป็นคนขี้ง่วงนะบางคนปฏิบัติลขี้ง่วงโอ้ยมันนะมันง่วงจริงๆบางคนก็นขี้ฟุ้งซ่านไม่เป็นไรทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นธรรมะที่เขาแสดงปรากฏ ถ้าเราผ่านอารมณ์พวกนี้ได้นะเราก็จะไปสัมผัสอารมณ์ที่มันเบาๆขึ้นมานะเป็นปิติบ้างเป็นความเบากายเบาใจบ้างอันนี้ก็อย่าไปติดมันอีกนะเออมันก็ม า, าแสดงให้เราดูอีกอนะแล้วมันก็ไม่ได้อยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวมันก็แปรปรวนมันก็เปลี่ยนแปลงไปเดี๋ยวง่วงเดี๋ยวตื่นนะเดี๋ยวฟุ้งซ่านเดี๋ยวไม่ฟุ้งซ่านนะเดี๋ยวบางทีก็เฉยๆก็มีแต่บางทีทําไปมันเฉยๆมันไม่มีอะไรอะ่ะก็รู้มันเฉยๆ แม Now, <Yeah. S 1> uh, like ้แต่มันเฉยๆก็ร so ู้มันเฉยๆนะแล้วก็ส yeah. ังเกตดูนะอารมณ์กับอากาศนี่เหมือนกันเลยนะอากาศเดี๋ยวมันเปลี่ยนแปลงเนี่ตอนนี้ได้ได้ทราบว่าอุณหภูมิก็ลดลงอีกนะลมมันพัดมาเนี่ยนะอารมณ์ของเรามันก็เปลี่ยนไปอ่ะเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนนะเดี๋ยวดีใจเสียใจเหมือนกันเลยนะเมื่อเราเห็นธรรมชาติข้างในแล้วก็เห็นธรรมชาติข้างนอกเห็นธรรมชาติข้างนอกก็เห็นธรรมชาติข้างใน ธรรมชาติที่มีความแปรปวนเปลี่ยนแปลงไม่สามารถบังคับบัญชาไดนะ้อันนี้เป็นความจริงที่แสดงที่ปรากฏเพระฉะนั้นการที่เรามาเจริญสติมาใช้ชีวิตที่วัดป่าสุกโตเนี่ยนะก็เพื่อการนี้เท่านั้นและถ้าเราทำในส่วนนี้ได้เนี่ยก็เป็นการที่ช่วยกันธนุบำรุงพระพุทธศาสนาที่แท้จริงเราไม่ต้องไปกลัวนะ ว่าศาสนาอื่นก็จะมาทำให้ศาสนาของเราอยู่ไม่ได้นะเสื่อมไปพุทธองค์ฝากไว้กับพุทธบริษัทสนะการที่พุทธศาสนาจะเสื่อมหรือไม่เสื่อมหรือจะสูญหายไปอยู่ที่พวกเราทั้งหมดเลยทั้งพระทั้งโยมนะอย่าไปปล่อยให้เป็นเรื่องของพระอย่างเดียวนะอย่างตอนนี้พูดถึงกันว่ามีศาสนานน้นศาสนานี้จะมาทำให้เราเสื่อมนะอันนั้นน่นมันเป็นภยัยภายนอก ภัยภายในก็คือการที่เราไม่ประพฤติปฏิบัติเราไม่เรียนรู้เราไม่ได้ภาคเพียนพยายามที่จะทำให้สิ่งที่พุทธองค์ได้ไดตัดสั้เมื่อสองพันเจ็ดร้อยกว่าปีที่แล้วเนี่ยน่าให้เกิดขึ้นในตัวเราถ้าเราทาอย่างนี้ได้เนี่ยไม่มีทางเสื่อมสูญไปแน่นอนนะตาบใดที่เรายังมีการประพฤติปฏิบัตนะิธรรมะและวินัยจะไม่เสื่อมสูญไป จากจิตใจของมนุษย์เ่าแล้วก็คนไทยแล้วก็ชาวพุทธทั่วไปเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยก็ขอให้เรามีความพักเพียรพยายามนะการประพฤติปฏิบัติอย่าเห็นแก่ความสุขเล็กๆน้อยๆนะอย่าไปเห็นแก่ความพออกพอใจเล็กๆน้อยๆนะด้ยการกินการนอนความสะดวกสบายนะมาอยู่วัดป่าสุขกโตเนี่ยนะก็ลำบากอยู่ นะแต่ก็ไม่ลำบากเหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนลำบากกว่านี้เยอะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็อยากจะให้พวกเราเนาะได้มาตั้งใจนะในการประพฤติธปฏิบัตนะิในการที่จะเจริญรอยตามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตามครูบาอาจารยนะ์ที่ท่านได้พูดได้สอนได้กล่าวเอาไว้ แล้วก็หลอกเป็นการสืบทอดพุทธศาสนาที่แท้จริงด้วยการประพฤติปฏิบัติการที่เรามาอยู่อย่างนี้เรามาใช้ชีวิตอย่างนี้การมาพุทประพฤติปฏิบัติอย่างนี้นี่แหละน่เป็นการช่วยเหลือให้พุทธศาสนายังคงอยู่ในโลกต่อไป น, นี่ก็เป็นสิ่งที่อยากจะฝากให้พวกเราได้พิจารณานะแล้วก็ได้ประพฤติปฏิบัติกันต่อไปก็ขอให้อ่า ความพากเพียรพยายามของทุกท่านเนาะแล้วก็ความตั้งอกตั้งใจของทุกท่านการได้มาใช้ชีวิตร่วมกันที่วัดป่าสุกตอก็เป็นการช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้พวกเรารักษาพระพุทธศาสนาด้วยการประพฤติธปฏิบัติแล้วก็เกิดผลกับจิตใจของเราเพื่อที่จะได้น้อมนํำนเอาสิ่งหรือผลที่เกิดขึ้นจากการประพฤติธปฏิบัติเนี่ยไปใช้เมื่อเรา กลับไปสู่บ้านเรือนกลับไปสู่ประเทศของเรานะเพื่อที่จะได้ให้ชีวิตของเรานั้นมีความสงบเย็นนะและก็เป็นประโยชนนะ์ที่จะได้ใช้ชีวิตของเราต่อไปในในอนาคตต่อไปนะด้วยอํานาจของคุณพระศรีรัตนตรยนะัยก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ พระพุทธก็คือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานก็คือสี่สัมปชัญญะที่มีอยู่ในตัวเราพระธรรมก็จะทำความจริงที่แสดงปรากฏอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันและประสงค์ก็คือการประพฤติปฏิบัตินะที่เราได้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในเวลานี้นะแล้วก็ในเวลาข้างหน้าต่อไปนะด้วยความเพียรความพยายามความอดทนนะขอให้ทุกท่านจงได้ประสบพบเห็นนะ ความเป็นปกติของใจนะการพ้นจากความทุกข์ความหนัก อ, อกหนักใจนะที่มีอยูนะ่แล้วก็เป็นการร่วมกันนะได้ช่วยกันทารงรักษาพระพิศาสนาให้ยั่งยืนตลอดไปเจริญพร